หมดไปเรื่อยๆตามการตามเวลาเราไปรอให้ความเกิดความแจ่ความเจ็บความตายเห็นที่กืนชีวิตของเรามันก็เสียชาติเราต้องมากืนชีวิตกืนกินเวลาเอามาเป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดการบรรลุธรรมเกียวกการบรรลุธรรมนี่ ต้องเป็นสิทธิของชีวิตเราเร า, เราสามารถทำได้สร้างเอาได้เข้าถึงได้ในคาสอนพระพุทธเจ้าสามารถทำได้แต่พระพุทธเจ้าเราภาษาพกบรรลุถึงชีวิตที่เป็นอมรมะ มานานแล้วเรายังแก้ชะลสิทธิ์ไม่ได้แล้วก็มีสืบมาจนถึงทุกวันนี้มีครูอาจารย์มีผู้บอกมีผู้สอนจนบัตรนี้ก็ยังมีอยู่เพื่อนผมสอนเขาพูดให้เจ้าเอามาบอกเอามาสอนก็ยังเป็นจริงอยู่ ให้ผู้พูดเสียงพูดก็ได้ยินผู้พูดก็มีตัวมีตนสอนให้เจริญสติเอากายมาสร้างสติเราก็ทำได้สติคือความรู้สึกวามระลึกได้เอามาเป็นตัวรู้เอากายมาเป็นสมบัติของตัวรู้เอากายมาเป็นวัดสดุอุปกรณ์ ให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็รู้ได้ในเราเริ่มต้นเริ่มต้นได้ทางได้ที่ได้ทางอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้มันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นอยู่ไม่รับไป่รีไม่สุกซ่อนมันหลงมันก็รู้อยู่ ความหลงกับวิวความรู้อยู่ในที่นั่นด้วยอะไรที่ไม่ใช่ความรู้ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเราก็เอามาเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งนั้นหรือเรียกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้สร้างความรู้ก็ามมีผลเป็นความรู้เมื่อมันมีความหลงเปลี่ยนความหลงมาเป็นความรู้สึกตัวเนี่ย เราทำได้ก็เห็นเห็นผู้ที่รู้สึกตัวก็ย่อมเห็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจหลายอย่างหลายอย่า ง, ายยางที่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวลแล้วเราก็ได้สัมผัสเราก็อยอาไปคงแวะ เวลานี่เรามาปฏิบัติเวลานี่เรามาเจริญสติอันอื่นเราไว้ก่อนเรามาสร้างความรู้สึกตัว <c oughs> มาสร้างความรู้สึกตัวนะให้มันมากขึ้นอ่าที่เราคือทําตรงนี้แต่ความรู้สึกตัว ต่อเนื่องอยู่ในกายในจิตนั่นแหละจะเป็นการเป็นงานเป็นกรบเป็นกรรมเป็นมกเป็นผลได้ชีวิตเนื้อการเกิดเจ็บเจ็บตายในกำเนิดเกิดขึ้นของมกผลไม่พานคือชีวิตที่เป็นมาสสถานชีวิตเป็นอมตะก็เริ่มต้นจากตรงนี้กัน ขออย่าได้เอาชีวิตรเราไปใช้อย่างอืนจนหมดวัยหมดข่าหมดเวลาหน้าที่กระตื่นลืลนน้นที่ที่เราจะขวนขวาย <c oughs> ในเรื่องนี้กันให้มากมากสัก โอกาสให้โอกาสแช่อย่างนี้บ้างแล้วเราก็เมเราฝึกได้แล้วมีสติแล้วนะี่ไปอยู่ไหนมันก็คือความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวไม่เลือกที่ไม่เลือกการเวลาแม้มันจะเกิดเลยขึ้นมันก็อันเดียวความหลงก็อันเดียว อยู่วัดมันหลงอยู่บ้านมันก็หลงก็คือความรู้อันเดียวความโกรธความทุกข์ความวิตกกองโอนเศร้หมองที่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันก็อันเดียวไม่ได้เปลี่ยนหน้าไม่ได้หลงความหลงไม่ได้ให้เกิดความหลงความหลงก็คือความหลงเราก็รู้สึกตัว ความหลงมันก็บอกว่ามันเป็นตัวหลงความรู้ก็คือตัวรู้มันตรงกันพอดีอาคีวิตของเรามันเลือกได้มันเลือกได้เดีย๋ยวเวลาปฏิบัติเนี่ยเวลาเราเจริญสติเนี่ยมันก็ผ่านสิ่งเหล่านี้เราไปผ่านหลายอย่างที่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ ว่าแต่เราอย่าหลงทิศหลงทางมันมีลอยลอยของขวมรู้สึกตัวมันก็ลอยหัวรอยควายที่เราเมื่อมีโจรแล้วไปเราตามเอาตามลอยหัวรอยควายของเราจนได้ตัวมันจะเที่ลอยแกะลอยให้ดีดๆลอยพระพุทธเจ้า ก็คือรอยความรู้สึกตัวเนี่ยอยู่ที่ไหนก็รู้สึกตัวตามไปเวลาใดที่มีความหลงมากบกมากเกินเราก็ตามความรู้สึกตัวไปความทุกข์ความง่วงเหงาห่อนอนอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็ตามไปเรื่อยๆไปมันก็จะแม่นยำ ในเวลามันหลงมันมีความรู้มันชัดเจนมันเจ่งตรงนั้นด้วยมันจะชานาญตรงนั้นด้วยเวลาใดมันง่วงมีความรู้สึกตัวมันก็จะชำนาญตรงนั้นด้วยเวลาใดมันทุกข์มีความรู้สึกตัวน่ะตรงนั้นแหละมันไม่ใช่อ่อนแออยู่เสมอมันเข้มแข็งตอนนั้นด้วยประสบการณ์ของความรู้สึกตัวที่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะมีโอกาสทํำไมแก่กล้าทํำไมมากเราจะเป็นอินซียก็คืออินซีย์แก่กล้ า, า, าอินซียของสติสติอินซีไม่ใช่ตาใช่หูไม่ใช่จมูกเล่นกายใจที่มันเป็นใหญ่อย่างเดียวชีวิตเรามันมีสติเป็นใหญ่ด้วย แต่เราไม่ฝึกมันก็ตาหูจมูกลีน่นกายใจลูบรสกลิ่นเสียงมันเป็นใหญ่มันใช่ชีวิตเราบางทีมันก็ไปทางตาตาพาลากพาถูไปบางทีมันก็พาไปทางจมูกไปเห็นได้กลิน่นมันก็ไปตามจมูกตามกลิน่นบางทีมันได้รสทางลิน้นมันก็ไปตามลิน้น หอบกัน <Open S 2> ไปช<ป>วนอื่นก็ลูไปตาม<ป>พอลื่นมีกำลังก็ลากไ ป, ไปโอไปฟังเสียง<ป>ก็ลากเอาอันเดื่นไปตาลื่นก า, กายก็ไปใจก็ไปถ้าหูมันกำลังมันมาก<ป>จมูกก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันใจก็เหมือนกัน ล ใ, ใจที่มันย่อมอารมณ์อะไรความรักความชังมันก็ตามไปในความรักตามไปในความชังถูกลากกันไปมันแย่งความเป็นใหญ่ในตาใน ห, หูในจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิกล่นเสียงเราก็เสียเวลาหมดเรี่ยวหมดแรงกับสิ่งเหล่านี้มา ตอนนี้เรามาพบอินทรีย์เรียกว่าสติอินทรีย์เนี่ยมันให้ความเป็นธรรมต่อชีวิตเราเราจึงพยายามสร้างอินทรีย์ตัวนี้ที่มันจะเกิดขึ้นต้องประกอบต้องสร้างแล้วก็ไม่อาศัย อันอื่นมาเป็นใหญ่อาศัยการสิ่งทั้งหลายอาการที่เกิดขึ้นแม้จะตาเห็นรูปก็เป็นเรื่องของความรู้สึกตัวหูเรียนเสียงก็เป็นของความรู้สึกตัวมันเป็นใหญ่ในตรงนั้นแต่ตามันก็เป็นใหญ่เฉพาะตาในรูปหูก็เป็นใหญ่เฉพาะเสียงในเสียง เท่านั้นเองไม่ใช่เอาลิ่นไปคีมดูเสียงไม่ใช่เอาตาไปฟังเสียงนั่นก็ไม่ใช่กปเจอกกปเจาะปกอินทรีย์เราเนั่นถ้าสติเนี่ยสติอินทรีย์เนี่ยสามารถเป็นใหญ่อยู่บนลูกลดกลิ่นเสียงตาหูจมูกเลี้ยงกายใจ จริงเรานั่นก็รับใช้ไปเลยเอาไปอามาตัวสตินี่ก็เอาตาไม่ใช่เอาหูไม่ใช่เอาจมูกเอาลิ้นเอากายไม่ใช่อ่ามันก็เป็นธรรมมันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปคิดรู้ทำให้มันเป็นอ่าสติเป็นใหญ่ สติอินทรีย์เป็นใหญ่เปิดความเป็นธรรมเมื่อมีความเป็นธรรมมันก็มีอำนาจเมื่อมีอำนาจก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่เนหนือ อ, อาการทั้งหลายเรียกว่ามักผลในพานที่แท้ก็คือสติเป็นใหญ่สติเป็นหน้าโลกพระเขี้ยวศกคือพระอรหันต์ผู้มีสติเป็นหน้าโลก เราจึงมาสร้างตัวนี้ก่อนอย่าข้องอย่าแวะเวลานี้เรามาไปกับเรามาไปก่อนเรามาเดินก่อนมืนคนเดินทางเหมือนคนทำงานทำการเช่นชาวนาเวลาปลูกข้าวเขาปลูกข้าวเสียก่อนอันอืดนเอาไว้ก่อนเราเกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวข้าวเสียก่อนอันวืดนเอาไว้ก่อน แล้วเขาก็ได้ข้าวเขาก็ดูแลข้าวเป็นมากเป็นผลขึ้นมาข้าวจะได้จากการกระทาก็แปมาเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตของพวกเราการเจริญสติเนี่ยเป็นอาหารใจอาหารกายด้วยกายใจได้ถ้ามีสติเขาไปจะเป็นพลัง เป็นพลังร่วมกันกายช่วยใ จ, ใจใจช่วยกายสติช่วยกายสติช่ว ย, ย, วยใ จ, ใจิตใจรวมเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าชีวิตที่ได้ชีวิตเดี๋ยวนี้กายเราไปคนละทิศละทางใจไปทางหนึ่งกายอยู่ทางหนึ่งสติก็ไม่มีล่อยเที่ยงคว่างไป กลางคืนก็วอกฝันกลางวันก็ว่าคิดนอนอยู่ในห้องกายมันนอนอยู่จิตมันคิดไปฝันไปเกิดอาการไปตามความฝันหน่วยบ้างหมดเรยวหมดแรงติดเป็นจิตนิสัยเอาคำฝันมาแก้มาลำดับมาลำนำมาเกี่ยว่าคอง เอาเก่งเอาผิดเอาถูกปล่อยกันใหญ่แล้วฝันเราก็ไปแก้ให้กันฟังวิตกกัขขงวลในความฝันเ <c oughs> ชื่อมัน่นฝันรายฝันดีถ้าเรามีสติเนี่ยถ้าจะหัดให้มีสติหัดให้ไม่ฝันก็ไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้ความฝันไม่ต้องลำดับไม่ต้องจำไปซื้อ มีสติเลือยไปมันจะไม่ฝันไม่หมดเวลาไม่เสียเวลาไม่เสียพลังงานกายนอนอยู่ในหะ้องใจมันคิดไปทิ่งกันมารก็ได้โอกาสเข้ามาย่ำยีกายเข้ามาย่ำยีคิดใจเอากายไปกายมันก็เอาไปใช่ไปเสพไปติด ติดเล่าติบุรีมากายก็ลงโทษกายใจก็ลงโทษกายกายลงโทษใจใจกายลงโทษใจกาใจกายลงโทษของกายทำตะเปตะปะไปเลยตินเหล่ามายาร่วมกันสมคมชั่วสําเร็จอันนี้เรามามีสติเนี่ยทำไมสติ กายมาเป็นพลังเสริมสร้างให้เกิดสติจิตใจมาเป็นพลังเสริมสร้างให้กิดสติเกิดสติแต่เราไม่ใช่กายใช่ใจให้สร้างสติเขาก็ไม่ร่วมมือหรอกแล้วเที่งกันไปสติไม่มีในกายในใจเราเกิดเกิดภพเกิดเกิดภบเกิดภูมิต่างๆอันีภภูมิชีวิตของคนเราไม่เหมือนสัตว์ในไร่ชาติ แต่ในรรชาเนี่ยเขาพัฒนาไม่ได้เขาก็อยู่อย่างนั้นแต่มนุษย์เนี่ยคนเรามันมีพพผูมตั้งต้นจากตรงนี้ทางสี่แพ่งสิทธิที่เราจะต้องไปจะต้องก้าวไปหรือจะต้องเสื่อมลงวัฒนะหายนะวัฒนะก้าวไป สู่จุดหมายปลายทางอันสูงสุดของชีวิตชีวิตประเสริฐหายใจน่ะเสื่อมลงไปอบายภยูมินั้นเป็นอย่างนี้ชีวิตเราทางสี่แท่งเรายดินอยู่บนทางมันทางสี่แท่งทางหนึ่งก็ไปสู่อบายภยูมิทางหนึ่งก็ไปสู่ พโ ม, มโลกทางหนึ่งไปสู่เทวโลกทางหนึ่งไปสู่มรรคผลในผนมนุษย์คือยืนอยู่บนทางแล้วนี้เรายืน อ, อยู่บนทางเรียกว่าเป็นมนุษย์ก็เห็นเห็นกันอยู่มันก็เราไปทางไหนบ้างไปทางวายเจพุงไปกับความหลงวันหนึ่งเราอยู่ในความหลงมากเท่าไหร่มีความรู้เท่าไหร่ ถ้าหลงมันก็ไปสู่อาบายโลกโกรธหลงเป็นอกุศลละทำสู่ภูมวันต่ำและโลกเปรตสุรกายสเด็จไรชาติทำบาปทำกรรมทิชา่าเบียดเบียนกันไปถ้ารู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวมัน ก, ก็ไม่ไปสู่อาบายยกขึ้นมา ไม่ศีลแล้วละความชั่วแล้วคนมีความรู้สึกตัวท่ำความดีแล้วจิตบริสุทธิ์แล้วไม่ศีลแล้วบ้างไม่ทำแล้วรักษากายวาจาใจเรียบร้อยไปแล้วไม่ความละอายต่ำความชั่วเกรงกลัวโกตบาบเป็นเทวภูมิแล้วไม่เกิดชิดไม่ก็พูดไม่ก็ดทำความชั่วทั้งร้าย ไม่ว่าโลกกับบาลคุ้มครองรกระบาลบานบาน่บนบอไปไหมสะอารอเรือนหมายถึงคุ้มครองรักษาไม่ตกไปในที่ชั่วคนมีสติก็ไปแล้ว่าดภูมิเทวะภูมิได้เกิดมีความ มีสติรู้เห็นอกเห็นใจมีความเมตตากรุณาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนพูดเสียงใดทำเสียงใดคิดเสียงใดมีความเมตตากรุณาออกหน้าออกตาเป็นภูมิของผมโลก <c oughs> ไปแล้วไป <c oughs> ไม่ได้เอาความหลงไม่ได้เอาความรักความชัง <c oughs> ไม่มีอารมณ์ <c oughs> ที่จะมาสั่งงานสั่งการ <c oughs> สุดเชียงใดคิดเชียงใดทำเชียงใดประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในหมู่มิตรเพื่อนผงเชีงต่างๆ ม, มันเกิดขึ้นมาในขณะที่เราในชีวิตดว่าบางคิดว่ามันเต็มไปด้วยความโลภ ค, ความโกรธความหลงความรังความชางังความวิตกเศร้าหมองความหลงเลสงสยัยหมกหมุนโมหมง ไม่ช่อย่างนั้นแต่อย่างนั้นก็ลงโทษตัวเราถ้ามีอ่าความร้ายต่อความชั่วเจ้ากูรต่อบาปแม่ก็พูดแม่ก็ทําไม่ก็คิดในสิ่งที่เลวร้วายมันก็ไม่ลงโทษเราหมดโทษชีวิตหมดโทษหมดโจรหมดไฟ่ยิ่งมีเมตตาด้วนะก็ยิ่งหมดโทษไฟชีวิตพวกนี้มีอายุยืนยาวมาก <c oughs> ไม่เหมือนคนที่ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เดี๋ยอก็เป็นพันเป็นร้อยปีไม่เท่ากับชีวิตของผู้มีความเมตตากรุณาเพียงชั่วโมงเดียวมันมีความอดขภยถ้าจะเลือกว่าสุขก็เป็นสุขด้วยศีลด้วยธรรมไม่ได้สุขเพราะอามิตรศีลจ้างเราเลือกได้อย่างนี้ชีวิตเรา วันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยไม่ใช่พงนี่เลยเกิดขึ้นมาเดินให้เลยแล้วก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นพระพระแปลว่าประเสริฐบริสุทธิ์หมดโจรจากเครื่องเศ้ามองใจไมีโลภไม่โกรธไม่หลงเป็นต้นชีวิตประเสริฐคือความเป็นพระ ทางกายทางใจไม่เอากายเอาใจเอาจิตเอาวาจามาทำให้เกิดโทษเกิดภัยอามาเป็นประโยชน์ใช้ได้สำเร็จเอากายก็ไปช่วยกันช่วยสิ่งที่ไม่ดีให้ดีช่วยหลายอย่างกายก็เราใช้ได้มากมาย ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากกายประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โล ก, ป ร, โกรรประโยชน์เจ้าพราติยานะประโยชน์เกิดเจียมากผลในเพลินเอาไายนี่แหละเอาใจเข้าไปทำความดีคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกิจจากใจนี่ก็ไม่มากมายช่วยผู้ช่วยคนช่วยใครอะไรต่างๆได้ท่างนั้นใจที่มันดีใจที่ไปสื่อ วาจาก็พูดออกไปได้ยินได้ฟั ง, ฟงเป็นปิยะวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตสุดจริตไม่มีรับลมคมหน่อยพูดบริสุทธ์ไปช่วยบอกช่วยสอนไปช่วยให้เกิดความงามความดีเพราะวาจาเช่นตะพทธเจ้า สอพวกเราเราพระสาวกทั้งหลายก็จําเอาจําเอาจำเอาจำเอ า, เอ า, เอาหลายชีวิตก็จําเอาคนลทิศละทางาอาอนนท์นี่จำ <c oughs> ได้มากกว่าหมู่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมนาที่ใดอาอนนท์จำได้แม่นสมัยก่อนไม่มีซีดีไม่มีมวนเทพ อาใสการจํเอาแต่ใช้ชีวิตแต่จําเอาความดีมันก็ติดแั้วก็จําง่ายเหมืนอนแต่ก่อนเราไม่เคยรู้จักเลขเ <c oughs> บอร์โทรศัพท์ไม่เคยคิดเรื่องอ้าวพอมามีโทรศัพท์มีเบอร์ของเพื่อนที่นั่นที่นี่เอ้าววัทีเราไม่ต้องเขียนเราจำํจำเคยจาได้ ของเพื่อนของเมตของผู้คนทั้งหลายคือเราช่อยมาทางนี้มันก็เกิดก็เกิดอข้องตั ว, ตวการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน <c oughs> เราใช้ชีวิตมาทางนี้มันก็เจริญในทางนี้พานนก็จึงจําได้มากจําจได้มาจําได้มากก็มาเขียน บันทึกเป็นตัวหนังสือจนมาถึงพวกเราทุกนนี่เพราะใช่ใชีวิตมาทางนี้เกิดกุงามความดีความดีนี่ก็กลายมาเป็นธรรมเป็นวิ น, นัยมาเป็นศรรีลมาเป็นสมาธิมาเป็นปัญญาของผู้ของคนทั้งหลายเราก็ได้รับอเ น, น้สงฆ์จากสิ่เหล่านี้มาเจริญสติไม่เคยมีใครบอก เอากายมาสร้างความรู้สึกตัวน่ะอายุได้สามสิบปียี่สิบแปดยี่สิบเก้าปีลูกได้ยินเรื่องนี้ก็เลยเอ๊ะเขาก็ฝึกหัดสมสมไปคนที่สอนก็สอนสมสมแค่ก็ไปขนานั้นเรายังไม่ชัดเจนเราหลง่อเทียนหลง่อเทียน สอนให้เจริญสติเอากายมาสร้างสติยกมือขึ้นไปเคลื่อนไหวไปมาได้สําเร็จสติเป็นสมบัติของกายพอดีพอดีอดถ้ามีมีสติไปในกายสิ่งที่มันหลงที่มันไม่ใช่สติไปในกายมันก็เห็นหมดทุกอย่างความหลงที่เกิดขึ้นกับกาย เห็นหมดทุกอย่างความหลงที่เกิดขึ้นกับจิตเห็นหมดทุกอย่างเมื่อมีสติไปในใจในจิตมันก็จะเห็นความหลงนั่นแหละดูไปดูมามันเห็นแต่ความหลงที่เกิดขึ้นกับกายเห็นแต่ความหลงที่เกิดขึ้นกับจิตมันก็ลู่อยู่บนตรงนั้นก็เดินไปเรื่อยผ่านความหลงความหลงความหลงกี่ข้งกี่หน ความหลงก็มีหลายรูปหลายแบบความหลงก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดความหลงอย่างหยาบหยานี่ถือว่าเป็นธรรมดาหลงของหลงลูกคญเจหลงหนังสือหลงผ้าหลงวัตถุหลงหน้ากันหลงชื่อเสียงเรียงนามหลง เวลาวันนี้วันอะไรเดือนอะไรขึ้นกี่ค่าหลงแล้วจาไม่ได้นี่เรียกว่าหลงธรรมดาไม่เป็นโทษเป็นไถยแต่ว่าเสียเสียหายบ้างแต่ว่าไม่ผิดศีล น, นะหลงลูกกุญแจเนี่ยไม่ไม่ผิดศีลแต่ว่าจ <c> ะ <oughs> เป็นศีลก็เป็นศีลศีลส่วนตัวเสียหายไม่เป็นส่วนรวม ไม่ไม่เป็นโทษเท่าไหร่หลงอยู่กันหนึ่งก็หลงเข้าไปอีกหลงกายหลงใจไม่ความโกรธในความโลภในความทุกข์ในความลกความฉังถ้าหลงเราเกิดโกรธถ้าหลงเราเกิดโลภถ้าหลงเราเกิดกิเลสตัณหา<ท> Lang, อันนั้นเป็นหลงอันนั้นเป็นโทษเป็นทโทษหลงกาย หลงใจเป็นโทษหลงก็ว่าอีกจิตนิสัยจิตนิสัยนิสัยอนุสัยอนุสัยอนิสัยอ น, นั้นหลงอย่างละเอียดไม่เห็นตัวเองหลงในความอุปทานในอาการต่างๆ เพราะนั่นความหลงผ่านตาของควมรู้สึกตัวหมดไม่มีอะไรลี้ลับได้ะจะเกิดความหลงอะไรก็มาได้เลยรู้กันทั้งนั้นแหละเห็นความหลงมันมเป็นปัญญาอยากให้มันหลงอย่าให้มันทุกข์อย่าให้มันโกรธอย่าให้มันอะไรต่างๆจะได้จะได้เกี่ยวข้องกับมันหมอนหมอรักษาคนป่วย อยากจะเห็นหาตรวจเอาเครื่องมือวิเศษวิเศษตาตรวจจนเห็นเห็นเหตุแล้วนี่เขาก็ตรวจต่างประเทศสหรัฐเขาตรวจแก่เห็นโรควัคซีนที่เกิดไข้หวัดนกคนพบได้อมารักษาคู่ไข้หวัดนกหาย เ้าก็เจงเขาหาห า, าเหตุที่มันทำให้เกิดไข่ห<น>วัดนกล่มหายตายไปเขาหาจนพบแล้วเขาหาเขาก็พอใจเขาค้นคว้าได้การปฏิบัติทำแนวมันยิ่งวิเศษกันหาสิ่งที่มันหลงที่เกิดขึ้นกับกครกับใจนะมันเห็นมันเป็นปัญญา พวกเราอย่าไปกลัวการเจริญสตินี่มันก็ผ่านเรานี่แหละผ่านจริงแล้วนี่ลู่มันทั้งนั้นตามไปลู่ไปเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นลู่เห็นตามตามความเป็นจริงเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับลู่กับนามตามความเป็นจริงเห็นก็ไปจน เรีเกลียเห็นมันเป็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนจะเห็นความโกรธมันเห็นเห็นก้นบึ้งของความโกรธมังคืออะไรมันก็นคือความไม่เที่ยงมันคือความเป็นทุกข์คือความไม่ใช่ตัวตนเห็นแล้วก็ไม่ยึดมัน่นถือมัน่นสําคัญมันหมายว่าเราโกรธเราทุกข์ไม่มีเลยลื่อออกไป ความทุกข์ความโกรธมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนโอ้เสียเวลาพอาเห็นเหรอมันอยู่ในความไม่เที่ยงความเป็นไม่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจที่เรียกว่าอาการทั้งหลายอ่นะนะมันซักฟอกหลุดตกเหมือนผ้ามันเปื้อนเอา หงสักพอกไปใส่ขยเยวไปใส่แช่เอาไว้หลุดไปเลยหลุดไปเลยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาเป็นกฎของธรรมชาติความรู้สึกตัวไปเห็นความหลงความหลงก็กลายเป็นปัญญากลายเป็นความไม่หลงมันไม่เบือนัดื้อนนะัธรรมะนะพระพุทธเจ้าจะว่าทำย่อมชนะทำทุกเวลา ธรรมคือความไม่รู้คืออวิชชาทั้งหลายธรรมคือวิชาทั้งหลายรู้เปิดออกมาหงายขึ้นส่องแสงสว่างเข้าไปเห็นแจ้งการเห็นแจ้งในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้ท่านเรียกว่าวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณที่เกิดความเห็นแจ้งในกายในใจนี้ เป็นทางไปสู่มรรคสู่ผลเห็นกระแสะแห่งพระเนรพลพระเนรพนก็คือมันทุกข์ก็คือความไม่ทุกข์โอ้เป็นกระแสะไปแล้วมันหลงคือความไม่หลงเป็นกระแสะไปแล้วคู่กันพอดีมันโกรธก็คือความไม่โกรธเป็นกระแสะไปแล้วบอกทางให้เราแล้วนะเรียก ว, ว่าวิปัสนาญา เกิดจากผู้ที่จเจริญสติเมื่อมีในกายในจิตใจมันไปอย่างนี้นะปฏิบัติไม่ใช่ไปเอาสุขไปเอารูปเอามันรู้สุขก็เห็นมันเนี่ยมันรู้ก็เห็นมันเนี่ยเลยไม่เพื่อนกับอะไรเล ย, เลยสติเนี่ยขอโทมันเป็นอย่างนี้เนาะสติเนี่ยไม่เปื่อไม่เพื่อนกับอะไรเล ย, เลยโอ้ปลอดภัยโอ้ อ่าก็ตื่อรุ่นไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยแต่ก่อนก็สุขสุกทุกทุกลักลักชังชังแบบนี้มันเหนือออกมาได้เหนือสุขเหนือทุกเหนือลักเหนือชังเหนือโลภเหนือโกรธเหนือหลงโอ้มันก si, ็เปลี่ยนไปโ้ษไปแต่จะว่าสูงก็สูงไม่ถูกเสียงเรานันทับทบไปทำหนี้การปฏิบัติธรรมนี่คือชีวิตของเรา ชีวิตของเราต้องพบทางแบบนี้บ้างแต่ไม่พบทางอย่างนี้นะโอ้มันเสียเปรียบเสียชาติที่เกิดมาที่เกิดมาเสียชาติอย่างน้อยเราก็มีกระแสมองแม้มันยังมีอยู่ก็มองตรงกันข้ามอย่าอย่าอย่าพลาดโอกาสแม้ยังมีความโกรธอยู่ก็ต้องมีความไม่โกรธทุกขณะ มีความทุกข์ก็ต้องมีความไม่ทุกข์ทุกขณะมันจึงเกิเป็นมนุษย์เป็นชีวิตชีวาแม้ยังมีความหลงก็มีความไม่หลงทุกขณะถ้ามันยังมีอยู่ไม่ใช่ไปจำนวนย้อ ม, มนี่ปฏิบัติธรรมผิดทูกอย่าง ดูเอาศึกษาเอาอย่าไปศรัทธาผู้คนศรัทธาอะไรมากจนลืมสร้างศรัทธาการปฏิบัติที่เกิดจากการกระทำของตัวเราการกระทำของเราทำลงไปมันไปนอย่างนี้นะศรัทธาการกระทำ กรรมมันเป็นอย่างนี้เราทําให้ส่งมาอย่างนี้ก็เชื่อการกระทําที่เราทําดูเมื่อเราทําำแล้วนี้มันเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้นั่นก็ศรัทธาต่อคําสอนถัดศรัทธาต่อศานะสนาศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าศรัทธาต่อพระธรรมคัมภีร์ศรัทธาแบบนี้ศรัทธาเข้าวหน้าไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันเสือ่อมไม่ใช่ศรัทธาหลวงพ่อองค์นั้นอาจารย์องค์นี้ เจ้าคนรงนั้นพระหลวงนั้นพระทันศรัทธาศรัทธาแบบพื้นฐานอ่ที่เราลึกเข้าไปโอ้อาจารย์มันสอนอย่างนี้โอ้เราทำเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับอาจารย์ท่านสอนโอ้ศรัทธามันเกิดจากนั่นเชื่อมาแล้วเอามาทำทำแล้วมันเกิดขึ้นมานะศรัทธาก้าวหน้าจนเหมือนกับพระ สริบุตรศรัทธาพระอาจาคิอาจาคิดสอนเอตมาเหตุปพพวเตสังเหตุตุลาคตโตเตสัญจะโยนิโลโทจะเอวังวัทิมหาสมโนพระพุทธเจ้าทร ง, งสอนสิ่งต่างๆเกิดจากเหตุระดับก็ดับที่เหตุพระสมณะโคดมสอนอย่างนี้ พราธรก็เจ้าสอนอย่างนี้ภาษาลีบุตรฟังแล้วก็โอ้คนมีปัญญาก็ได้ทันทีก็ทำไปทันทีขณะที่ฟังบรรลุธรรมได้เป็นพ <c oughs> ระโส ด, ดาบันแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นดักขาสาบก ผู้ที่อยู่เคยคิดสอยขวัวนโมคลานะด้วยเคยเ <c oughs> คารพอจฉิเป็นอย่างมากเวลาใดไ ด, ได้ยินว่าพระอัจฉิอยู่ทางทิศใดสหงนาฬิบุตรจะนอนเวลานอนก็นหันหัวหันศีรษะไปทางพระอจฉิพระอจฉิอยู่ <c oughs> น, น, นันก็เคารพนั้นพวกเราเคารพห ล, ลวงพ่อเทียน แม่ไม่มีหลวงพ่อเทียนเลยพวกเราก็เคารพสุดหัวใจไปที่ไหนก็เอาหลวงพ่อเทียนไปด้วยเรียกว่าครูบาอาจารย์เป็นคุณลืมไม่ได้ไมือคิดถึงคําสอนหลวงพ่อเทียนทําให้เราลู่ศสียนลูลถ่อมเอา้าต่อไปอีกถึงเร า, า, าพระสารพุทธถึงพระพุทธเจ้าลึกซึ้งเข้าไปเป็นชีวิตของเราไปเลย อันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ทำแบบ <c oughs> พิธีกรรมเอามาเป็นตัวปฏิบัติปฏิบัติได้ทั้งหมดมันหลงก็ไม่หลงมันทุกข์ก็ไม่ทุกข์มันอะไรต่างๆปฏิบัติประจำวันใช้ชีวิตประจำวันเดินทางผ่านไปผ่านทุกอย่าง ผ่านความหลงกี่ข้างกี่หนุนผ่านความทุกข์กี่ข้างกี่หนุนผ่านความรักกี่ข้างกี่หนุนผ่านความชังกี่ข้งกี่หนุน <truths> เป็นทางผ่านของเราอย่าให้สิ่งเหล่านั้นขัดขวาง <Ms ing> ขวา ง, <c ười> งกัน้นจะหยบ <Y oke S 1> อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราจะอยู่ในโลกก็ต้องมีอย่างนี้น้อยเราก็เคยผ่าน <c ười> เคยผ่านเคยผ่านแ้่เราผ่านไม่ได้ก็โลกก็ทับถมเราพอโลกทับถมเราก็ ไปไม่ได้แบกโลกขนแบกโลกกับคนอยู่เหนือนโลกคนหมักพาลาฮเวเปัญจขันธาขันธ์ห้าเป็นของหนักเนอพระทนังทุขังโลกอย่างกันแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการวางของหนักทิ้งลงเสือเป็นความสุขเพราะได้เจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้ว ต้องมาหยิยบชวยออกของหนักอันอืินขึ้นมาอีกฮะไ ม, ไม่ไม่หนักเบากายแล้วหัวตาจิตตแล้วหัวตาเบากายเบาใจนี่คือได้ชีวิตชีวิตก็คออออือไม่เป็นอะไรกับอะไรมีอยู่หาอย่างไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเป็นสุดสูงสุดนะจุดสูงสุด เหมือนเหมือนเราขึ้นเขาพอเวลาเราขึ้นไปแล้วเขาบอกว่าจุดสูงสุดของภูเขาหลวงที่เคยขึ้นเขาเห็นลงกาเคยขึ้นดอยสุเทพเคยขึ้นดอยอินทนนท์เคยขึ้นอะไรเลยยานวเทพ์ฮะสีประเออ สูงสุดนะสีปัท่ะเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กไปเลยลายคนที่ขึ้นสีปัททะได้ต่อกลับลงมาเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กไปเลยสูงสุดนะลองไปขึ้นดูสิสีปทะประเทศสีลังกาผมก็อายุหกสิบเจ็ดสิบปีนี่ขึ้นผ่านมาได้แล้วคุยได้นะ สูงสุดสูงสุดของชีวิตเน่าไม่ต้องเสียบัตรคือไม่เป็นอะไรกัไอะไรวจะเป็นหิมาลัยก็ไปแล้วไปนอนอยู่หิมาลัยแล้วประเทศเนปาลยังไม่ไปเอวเวอเรตคงไม่มีโอกาสแล้วเอเวอเรตหิมาลัยก็ผ่านมาแล้ว สูงสุดของชีวิตไม่ต้องไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เป็นอะไรก็อะไรไม่เป็นอะไรก็อะไรุ้มชาติไม่เสียชาติตรงเนี้